เมื อ, องที่มีปฏิวัติรัฐประหารกันบ่อยที่สุดเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปในเจตนคร โดยอุปถัม์สนับสนุนของคู่บา ร, รมีของนครสามีซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญของคู่อาสาวะและสมุทัยดังที่ได้เล่าแล้วสมุทัยได้แสดงตนเป็นศาสดาประกาศศาสนาขึ้นบ้างเพราะเกรงว่าพระพุทธศาสนาจะดึงคนออกไปให้พ้นอำนาจตนคือให้ไปสู่โล ก, กุตรภูมิจึงตั้งศาสนาขึ้นแข่งคอยแนะนาคนให้ดาเนินไปสู่ภูมิทั้งสาม ที่อยู่ในอำนาจของตนเท่านั้นดังที่เรียกมาแล้วว่ามานศาสนาซึ่งก็ได้ผลเพราะประชาชนได้พากันนับถือกันทั้งเมืองก็ว่าได้แต่มักนับถือคู่กันไปกับพระพุทธศาสนาข้อนี้ทำให้สมุทัยผิดหวังเพราะไม่อาจทำลายพระพุทธศาสนาลงไปได้ทั้งดูเหมือนพระพุทธศาสนาจะเจริญขึ้น ประชาชนสนใจปฏิบัติในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันมากขึ้นและทางการปกครองฝ่ายของคู่บา ร, รมีก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งน้อยใหญ่มากขึ้นเช่นศีลฮีอริโอต ป, ปะอินซีสังวรสติสัมปัญญะสันโดษ ด, ดังที่ได้กล่าวมาแล้วศีลเข้าคุมไตรทวารของจิตนคร ฮิริโอต ป, ปะเข้ามาเป็นนครบาลอินซีสังวรเข้าคุมระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในสติสัมปชัญญะเข้าคุมอิริยาบถหรือการจราจรของเมืองสันโดษเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ปันส่วนทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นเหตุให้พักพวกและสมุนน้อยใหญ่ของสมุไทยต้องร่นถอยลดน้อยลงไปกว่าเดิม แต่สมุทยก็หายินยอมโดยง่ายไม่ใช้เล่เพทุบายและอำนาจกำลังต่างๆยึดเอาที่มั่นต่างๆกลับคืนมาแม้ยึดมาไม่ได้ทั้งหมดก็ส่วนหนึ่งหรือครั้งคราวหนึ่งฉะนั้นจิตตนครจึงเป็นนครที่มีการแข่งแย่งอำนาจสลับเปลี่ยนอำนาจการปกครองในหน่วยต่างๆกันมากที่สุดบางทีสลับเปลี่ยนกันทุกวันวันละหลายครั้งก็มี จุดต่างๆที่ทุกฝ่ายต้องการยึดไว้เป็นของตนแต่ฝ่ายเดียวก็คือไตรทาวารของเมืองหน้าที่นครบาลระบบสื่อสารทั้ง6การจราจรและอำนาจการปันส่วนหรือพิกัดรายได้ต่างๆเป็นตน้นและจุดสําคัญก็คือนครสามีแต่ทุกฝ่ายก็ไม่สามารถจะยึดไว้หรือจะปฏิบัติหน้าที่ปกครองอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้คู่บารมี มีคู่อาสวะเป็นคู่ปรับกันซึ่งนครสามีก็ได้รับรองให้อยู่เป็นฝ่ายในด้วยกันทั้งสองสมุไทยกับพักพวกฝ่ายหนึ่งศีลเป็นต้นซึ่งเป็นพวกคู่บา ร, รมีอีกฝ่ายหนึ่งก็เผชิญหน้ากันอยู่ในจุดต่างๆทั้งสองฝ่ายตลอดถึงศาสนาก็เป็นที่นับถือกันทั้งสองฝ่ายถ้าจะเทียบกับบ้านเมืองในโลก น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านเมืองที่มีการปฏิวัติรัฐประหารมากและบ่อยครั้งที่สุดมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่กันบ่อยที่สุดจนในที่สุดก็ดูเหมือนแบ่งเมืองกันปกครองโดยแบ่งเขตการปกครองหรือแบ่งเวลาการปกครองในเขตเดียวกันนั่นแหละเช่นไตรทวารของเมืองศีลเข้าปกครองรักษาบางส่วนโลภโกรธ หลงหัวโจกใหญ่ของสมุททยยึดปกครองไว้บางส่วนหรือส่วนเดียวกันสีนุรักษาบางเวลาโลภโกรธหลงเข้าครอบครองบางเวลาแบ่งกันไปแบ่งกันมาดังนี้อาศัยที่จิตนครเป็นเหมือนอย่างเมืองลับแลดังกล่าวใครใจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องภายในของจิตนครต่างจากเรื่องของบ้านเมืองในโลก ที่มีการออกข่าวให้รู้กันอยู่เสมอจะมีการปฏิวัติรัฐประหารกันสักครั้งก็รู้กันทั่วส่วนในจิตนาการมีทุกวันก็ไม่มีใครรู้ใครสนใจกันเรื่องของบ้านเมืองในโลกควรเป็นที่สนใจพอสมควรแต่เรื่องของจิตนากรควรเป็นสิ่งที่สนใจอย่างยิ่งจิตนารของผู้ใดผู้นั้นควรพยายาม ให้รู้เห็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในนครของตนเพราะความรู้เห็นเหตุการณ์ในจิตนครเป็นความสำคัญเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสาเร็จในการรักษาจิตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนควรรู้อารมณ์ตนรู้ให้ทันเวลามากเพียงใดก็ยิ่งดีความรู้ทันเท่านั้นที่จะทำให้ดับอารมณ์ อารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับได้เร็วเพียงใดก็จะทำให้ใจอันเป็นที่รองรับอารมณ์นั้นผลจากความซัดสายฟูขึ้นแฟบลงได้เร็วเพียงนั้นได้มีความสงบสุขไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์ทั้งหลายหรือมานหน้าที่ของคู่อสวะได้กล่าวถึงสมุทัยกับพักพวกฝ่ายหนึ่งและศีลซึ่งเป็นพวกคู่ บรรมีฝ่ายหนึ่งเผชิญหน้ากันอยู่เสมอในจุดต่างๆของจิตตนครจนเหมือนแบ่งกันปกครองแบ่งเขตหรือแบ่งเวลาการปกครองในจิตนครถ้าจะเกิดมีปัญหาขึ้นว่าใครเป็นผู้แบ่งก็น่าจะตอบได้ว่าเป็นไปด้วยกำลังอำนาจของทั้งสองฝ่ายถ้าจะกล่าวให้แคบเข้ามา ก็เป็นไปด้วยกำลังอำนาจของสมุทยัยหรือคู่อสวะกับคู่บารมีซึ่งชักนำนครสามีให้ปฏิบัติตามคล้อยตามไปฉะนั้นหลักใหญ่จึงอยู่ที่นครสามีเองว่าจะคล้อยตามฝ่ายอะไรเท่าไรเมื่อไรจึงต่างจากการยึดหรือแบ่งอำนาจกันในบ้านเมืองทั้งหลายในโลกถ้าเป็นการยึดอำนาจก็ไม่ใช่เป็นการมอบหมายให้ด้วยความสมัครใจ แต่ผู้ที่ทําการยึดอำนาจก็มักขึ้นเป็นหัวหน้าเสียเองแทนผู้ที่ถูกยึดหัวหน้าเก่าที่ถูกยึดเอาอำนาจไปก็ต้องตกต่ำสิ้นอำนาจส่วนในจิตนครนครนสามีคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าอยู่เพียงผู้เดียวไม่มีใครแย่งได้เพราะนาครสามีเป็นบุคลิกพิเศษมีความรู้พิเศษมีลักษณะพิเศษมีสมรรถภาพพิเศษไม่มีใครทาลายได้เลย แต่คุณสมบัติพิเศษต่างๆของนครสามีต้องถูกบดบังไปเพราะสมุทรไทยและคู่อสวะกับพรรคพวกซึ่งเข้ามาทําให้นครสามีมีความเห็นคล้อยตามและมอบหมายอํานาจต่างๆให้นครสามีจึงเป็นเหมือนไม่มีอํานาจสุดแต่สมุทรไทยกับพรรคพวกจะบัญชาให้ทําอะไรบุคคลสําคัญผู้มีหน้าที่กํากับนครสามีคือคู่อสวะ ซึ่งกำกับการอยู่ข้างในจึงควรจะเล่าเสียในที่นี้ว่าครัวสวะมีหน้าที่สร้างภาวะสามอย่างขึ้นแก่นครสามีคือ 1. สร้างกามความใคร่ความปรารถนาทําให้นครสามีครุ่นคิดใคร่คิดปรารถนาอะไรต่างๆอยู่อย่างเงียบๆสอง 2. สร้างพบความเป็นนั่นเป็นนี่ ทำให้นครสามีครุ่นคิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่อย่างไม่น่าเชื่อ 3. สร้างอาวิชชาความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คือไม่รู้จักทุก์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุก์ไม่รู้จักความดับทุกขไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์ไม่รู้อดีตหรือเงื่อนต้นไม่รู้จักอนาคต หรือเงินปลายไม่รู้จักทั้งสองอย่างไม่รู้จักธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้บรมครูผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามเป็นจริงจึงได้ตรัส ช, ชี้แสดงว่าอาสวะอันได้แก่กิเลสที่ดองสันดานมีสามคือกามาสวะอาสวะคือกามหนึ่งพวารสวะอาสะวะคือพบหนึ่ง อวิชาสวะอสวะค์คืออวิชาหนึ่งคู่บา ร, รมีเท่านั้นฟังเข้าใจพระพุทธวจนะและรู้จักอสวะทั้งพยายามชี้แจงแสดงแนะนำนครสามีให้เข้าใจให้รู้จักในขั้นแรกนครสามีฟังไม่เข้าใจไม่รู้จักเอาเสียทีเดียวต่อมาจึงค่อยเข้าใจและรู้จักอสวะขึ้นบ้างจึงเริ่มเห็นคุณของศีล และใช้สีในการปกครองบ้านเมืองเป็นต้นแต่ก็หยิบยิบปล่อยๆดูคล้ายๆกับเป็นคนใจคอโลเลไม่แน่นอนอันที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะคู่อสาาวะดองสันดานมานานก็อยู่อย่างเหนียวแน่นซึมซาบอยู่อย่างลึกซึ้งยากที่นครสามีจะสลัดออกได้ที่กล่าวมาข้างต้นว่า เมือนอย่างมีปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่เสมอในจิตนคร น, นั้นที่แท้ก็คือการหยิบหยิบปล่อยๆของนครสามีนี่เองคือเดี๋ยวหยิบข้างนี้ปล่อยข้างนั้นเดี๋ยวปล่อยข้างนี้หยิบข้างนั้นบางคราวก็คออล้ายกับจะหยิบไว้ทั้งสองป่ายเหมือนอย่างจับปลาสองมือเหตุที่นครสามีเป็นไปเช่นนั้นเพราะขาดความเด็ดเดี่ยว ไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าไหนเป็นคุณไหนเป็นโทษรู้อยู่ว่ามีศีลมีคุณสมุทัยมีโทษแต่ความอ่อนแอยอมตนให้อยู่ใต้อำนาจความเคยชินกับสมุทยัยทําให้ภวะผวังจับนั่นปล่อยนี่วุ่นวายอยู่จึงยังไม่ได้รับผลที่ควรได้รับอย่างแท้จริงคือยังไม่สามารถทําจิตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ทุกเวลาต้องเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง เย็นบ้างร้อนบ้างทั้งนี้แล้วแต่เมื่อใดฝ่ายใดจะเข้าครองฝ่ายดีเข้าครองก็เย็นก็เป็นสุขฝ่ายไม่ดีเข้าครองก็ร้อนก็เป็นทุกข์บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายก็เช่นเดียวกับนครสามีนั่นเองคือรู้อยู่ด้วยกันว่าไหนเป็นคุณไหนเป็นโทษและจะสามารถทําให้ตนเป็นสุขได้ก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยว สละสิ่งที่เป็นโทษเสียอบรมแต่สิ่งที่เป็นคุณให้ยิ่งขึ้นนี่แหละคือการบริหารจิตเพื่อนสนิทของคู่อสวะคคู่อสวะมีเพื่อนสนิทหลายคนล้วนเป็นฝ่ายในหรือชั้นในด้วยกันเช่นอนุัยนอนจมอยู่ในจิตโอคะห่วงน้าในจิตโยคาการประกอบในจิตสังโยกหรือ สัญญตผูกจิตเพื่อนสนิทเหล่านี้จะมีหลายคนหลายกลุ่มหรือจะเป็นคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันแต่มีหลายชื่อหลายอาการก็ยากจะบอกได้เพราะเป็นชั้นในคู่บา ร, รมีเท่านั้นจึงจะรู้ได้ยกตัวอย่างเช่นอนุสัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทผู้หนึ่งของคู่อสวะมีหน้าที่สร้างภาวะสามอย่างแก่นครสามีคล้ายๆกับคู่อสวะ คือราคะความย้อมใจให้ติดปฏิฆะความกระทบอวิชชาความไม่รู้พระพุทธเจ้าองค์พระบรมครูผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามเป็นจริงได้ตรัสแสดงว่าอนุสัยสิ่งที่นอนจมเป็นตกรอยู่ในจิตมีสคือราคานุสัยอนุสัยคือราคะคือสิ่งย้อมใจให้ติด ปฏิคาอนุัยอนุสัยคือปฏิคาคือสิ่งกระทบใจให้ไม่ชอบอวิชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือความไม่รู้ในทุก์เป็นต้นดูก็คล้ายๆกับอสวะรดังจะเทียบกันทีละข้อข้อที่1กึ่งามาสวะกับราคาอนุสัยกามกับราคะดูก็มีลักษณะปเป็นอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่ชื่อที่เรียกตามอาการคือเมื่อดูอาการที่รักใคร่ปรารถนาก็เรียกว่ากามเมื่อดูอาการที่ติดใจยินดีเพราะถูกย้อมใจก็เรียกว่าราคะจะว่ากามมาก่อนราคะหรือราคะมาก่อนกามก็ได้จะว่ามาด้วยกันก็ได้เพราะความรักใคร่กับความติดใจก็อยู่ด้วยกันตกลงว่าเป็นอย่างเดียวกัน ข้อที่2อพ่าวาสะวะกับปฏิคานุสัยดูจะมีลักษณะต่างกันอยู่เพราะภาวะหรือพบคือความเป็นนั่นเป็นนี่ปฏิคะคือความกระทบใจให้ไม่ชอบแต่ก็เนื่องกันชอบกวนอยู่จะมีความกระทบได้ก็ต้องมีที่กระทบถ้าไม่มีที่กระทบการกระทบก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนอย่างคนสองคนเดินมากระทบไหลกัน รถสองคันเล่นมากระทบกันเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีขึ้นก็เพราะมีคนสองคนรถสองคันขึ้นก่อนแล้วคนสองคนรถสองคันนั้นเดินมาหรือเล่นมาสู่จุดเดียวกันไม่หลีกกันความกระทบจึงเกิดขึ้นความกระทบทางใจก็เช่นเดียวกันจะต้องมีสองสิ่งทางใจวิ่งมากระทบกันในสองสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งก็คือภาวะ ความเป็นนั่นเป็นนี่ในใจนี่เองความเป็นดังกล่าวที่เป็นชั้นในสุดก็คือความเป็นเราดังที่องค์พระบรมครูตรัสเรียกว่าอาสมีมานะความสําคัญหมายว่าเรามีเราเป็นหรืออาหังการหรือที่เรียกว่าอัตภาพความเป็นอัตตาความเป็นตนก็คือความเป็นเรานี่เองแหละ เรียกสันส้นๆว่าตัวเราอันตัวเราที่มีอยู่ในทุกๆคนองค์พระบรมครูตรัสว่าเป็นเพียงความสําคัญหมายว่าเราเป็นเท่านั้นหาใช่เป็นสัจจะโดยปรมาถะคืออย่างละเอียดไม่เมื่อมีตัวเราขึ้นแล้วก็ต้องมีของเราทีนี้ก็ต้องมีเขามีของเขาและตัวเรานี้เองเป็นจุดกระทบของอะไรอะไรทุกอย่างความกระทบจึงมีขึ้นได้ หรือจะกล่าวว่ามีจุดอะไรขึ้นในใจก่อนตัวเราก็วิ่งเข้ามาเกาะจุดนั้นก็เป็นตัวรองของเราขึ้นดังนี้ก็ได้ส่วนข้อที่3อวิชชาสวะกับอวิชชานุสัยเห็นได้ง่ายว่าเป็นอย่างเดียวกันฉะนั้นอาสวะกับอนุสัยจะว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนเดียวกันแต่มีหลายชื่อหลายอาการก็สุดแต่จะดู ข้อสำคัญดูให้เห็นก็แล้วกันบรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้มาพยายามให้เห็นอาสวะหรืออนุสัยในจิตนาคอคือใจของตนการดูให้เห็นคือการไล่ให้พ้นเพราะอาสวะหรืออนุสัยนั้นเปรียบเหมือนผู้ร้ายที่รู้ตัวว่าเป็นผู้ร้ายไม่ต้องการให้ใครพบใครรู้จักจาได้เมื่อมีผู้พบเห็นจาได้รู้จัก ก็จะหลบเลี่ยงหนีไปการดูให้เห็นให้รู้จักหน้าตาของอาสวะจึงเป็นการบริหารจิตที่ถูกต้องอันจะให้ผลเป็นความสะอาดของจิตยิ่งขึ้นทุกทีอนุยัยต้นตระกูลของหัวโจกทั้ง3าอาสวะหรืออนุยัยเป็นกำลังสำคัญของสมุททยทำงานให้สมุทยัยชนิดที่เรียกว่าใต้ดินหรือหลังฉาก วางแผนชักใยนครสามีอยู่อย่างแนบเนียนโดยที่นครสามีหารู้ไม่ว่าได้ถูกชักใยแต่เข้าใจว่ามีเพื่อนมิตรเพื่อนเกลอหลายคนห้อมล้อมช่วยเหลืออยู่โดยใกล้ชิดบางคราวเพื่อนราคะความยินดีความกำนัดมายั่วยิ้มหรือเพื่อนโลภะความโลภอยากได้มายั่วยากบางคราวเพื่อนโทสะมาก่อกวน บางกล่าวเพื่อนโมหะมาล่อลอกเพื่อนเหล่านี้อนุสัยส่งมาทั้งนั้นดังที่สิทธิขององค์พระบรมครูได้กล่าวว่าราคานุสัยแรงขึ้นเป็นราคะหรือโลภะปฏิคานุสัยแรงขึ้นเป็นโทสะอวิชานุสัยแรงขึ้นเป็นโมหะที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตปรากฏเป็นนิวรณ์คือเครื่องกั้นอยู่ในจิตเมื่อแรงขึ้นอีกราคะ หรือโลภะกลายเป็นโลภอยากได้โดยไม่มีขอบเขตโทสะก็กลายเป็นพยาบาทคือมุ่งร้ายหมายมั่นทำลายผู้อื่นสัตว์อื่นโมหะก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมกิเลสที่แรงขึ้นดังนี้เป็นความละเมิดมโนทวารออกมาเป็นมโนกรรมฝ่ายอากุศลย้อนมากล่าวถึงนครสามี ซึ่งมองเห็นเพื่อนเกลอหลายคนมาแวดล้อมอยู่ก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเพื่อนเกลอเหล่านั้นอย่างไม่อั้นถึงบทรักก็รักไปข้างเดียวถึงบทชังก็ชังไปทีเดียวถึงบทหลงไหลไฝ่ฝันก็มีอยู่บ่อยๆที่ถึงกับออกไปยึดมโนทวานกับวจีทวานกายทวานของเมืองเปิดรับเพื่อนเกลอที่ไร้ไร้ายเข้ามาคือ จำพวกที่มีชื่อว่าโลกไม่มีขอบเขตพยาบาทมิจฉาทิฏฐิใครที่จำเรื่องจิตนครในตอนต้นๆได้ก็คงจะนึกได้ส่วนพวกเพื่อนเกลอเหล่านี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือสมุนหัวโจกทั้งสามของสมุทรไทยนั่นเองแต่ในตอนต้นยังไม่ได้เล่าให้ละเอียดเล่ารวบรัดเอาเป็นว่าหัวโจกของสมุทรไทยมาถึงตอนนี้จะเล่าจาแนกแจกแจงชั้นในให้ละเอียดออกไป เรียกว่าเล่าสืบสายขึ้นไปถึงต้นตระกูลกันทีเดียวดังนั้นอนุสัยนี้เองเป็นต้นตระกูลของหัวโจกสมุทรไทยทั้งสามนั้นซึ่งนครสามีได้คบเป็นเพื่อนเกลอสนิทสนมแต่นครสามีหาได้รู้ไม่ว่ามีอนุสัยชักยายอยู่หลังฉากตลอดเวลามองเห็นแต่เพื่อนเกลเท่านั้นล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ในบางคราวที่ปลอดจากเพื่อนเกลเหล่านี้ นครสามีก็อยู่อย่างสงบมีความรู้สึกแจ่มใสเข้าใจตนเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องไปแล้วดังนี้ก็มีแต่โดยที่แท้ครูอาสะวะอนุสัยยังมีอยู่ในชั้นในกับนครสามีอย่างเงียบๆสิทธิของพระบรมครูจึงกล่าวว่าอาสะวะอนุสัสเป็นกิเลสชั้นละเอียดเปรียบเสมือนตะกรนที่นอนอยู่ก้นตุ่ม เมื่อยังไม่มีอะไรมากวนให้ตะกรอนก้นตุ่มคลุ้งขึ้นมาน้ําในตุ่มจะดูใสจิตที่ยังมีอาสวะอนุสัยก็เช่นเดียวกันเมื่อยังไม่มีอะไรมากวนอาสวะอนุสัยให้พุ่งขึ้นจิตก็จะปรากฏเหมือนสะอาดบริสุทธิ์เมื่อดูจากพื้นผิวความจริงหาเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่เพราะยังมีอาสวะอนุสัยเป็นตะกรอนอยู่เมื่อมีอารมณ์กวน ก็จะฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลส ช, ชั้นกลางชั้นหยาบปรากฏอยู่เต็มจิตไปหมดจิตที่ยังมีอาสวะนุสัยเก็บตัวเงียบอยู่แม้จะปรากฏว่าบริสุทธิ์ที่พื้นผิวจึงหาชื่อว่าไกลกิเลสไม่เพราะยังมีกิเลสอาศัยอยู่ที่ใกล้ชิดที่สุดอาศัยอยู่ชั้นในทีเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอระหันตสาวกทั้งหลายทรงเป็นและเป็นผู้ไกลกิเลส เพราะไม่ทรงมีกิเลสคืออาสวัณุสัยอาศัยอยู่ในพระทัยและในใจอีกแล้วเราท่านทั้งหลายที่ยังมีกิเลสอยู่แม้ยังไม่อาจทําอาสะวะนุสัยให้สิ้นไปได้แต่การพยายามปฏิบัติให้ไกลกิเลสอย่างหยาบคือราคะหรือโลภโทสะ โ, โมหะที่เป็นมูลแห่งอกุศลกรรมต่างๆได้ก็นับว่าเป็นการปฏิบัติควรบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย แม้มีความตั้งใจปฏิบัติ บ, ตบริหารจริงย่อมจะสามารถทำตนให้เป็นผู้ไกลกิเลสอย่างหยาบได้ไม่มากก็น้อยซึ่งจะให้ผลควรเก่ ก, การปฏิบัติเป็นความสุขไม่มากก็น้อยอัธยาศัย1ิบประการของคู่บารมีจะกล่าวถึงคู่บารมีของนครสามีบ้างคู่บารมีมีลักษณะตรงกันข้ามกับขั้วสวะเหมือนอย่างขาวกับดา คู่บารมีมีอัธยาศัยสันดานดีหลายอย่างตามที่ใครๆที่เป็นผู้รู้จักชมเชยกัน10ประการคือ 1. นึงมีอัธยาศัยให้ปันสิ่งของของตอนแก่คนทั้งหลายมีสิ่งอะไรก็อดให้ไม่ได้เพื่อบูชาบ้างเพื่อสงเคราะห์ญาติมิตรสหายบ้างเพื่ออนุเคราะห์ผู้ขัดสนเป็นต้นบ้างเป็นผู้มีอัธยาศัยพอใจที่จะให้เอง โดยไม่ได้ต้องออกปากขอถ้าถูกออกปากขอและไม่ได้ให้หรือไม่ได้ช่วยจะรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจจะต้องให้หรือช่วยน้อยหรือมากตามแต่ที่จะทำได้ปราศจากความตระหนีเหนียวแน่นและความมักได้อยากจะให้ทั้งหมดเหมือนดังเทมอ้อน้าคว่ากันทีเดียว 2. มีอัธยาศัยรักตนสงวนตน งดเว้นจากบาปทั้งหลายเป็นผู้มีความละอายใจต่อความชั่วรังเกียจความชั่วเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงามหรือคนสะอาดรังเกียจสิ่งสกปรกมีความเกรงกลัวต่อความชั่วเหมือนอย่างคนกลัวงูพิษสงบภัยเวรเพราะไม่ประพฤติก่อภัยเวรแก่ใครๆรักษาตนจากบาปกล่าวอีกในหนึ่งว่ารักษาศีล เหมือนดังจามารีรักษาขน 3. มีอัธยาศัยปลีกกายปลีกใจออกจากเครื่องติดทั้งหลายของโลกอยู่เสมอเพราะว่าโลกมีเครื่องล่อให้ติดอยู่มากมายเป็นต้นว่ารูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่ถูกต้องซึ่งล่อตาให้ดูล่อหูให้ฟังล่อจมูกให้ดมล่อลิ้นให้ลิ้มล่อกายให้ถูกต้อง ล่อใจให้คิดและติดตั้งอยู่เหมือนอย่างเป็นเรือนจำใหญ่มองเห็นเป็นเรือนจำจึงมีฉันทะที่จะออกจากเรือนจำไปสู่แดนที่มีอิสระแก่ตน 4. มีอัธยาศัย ส, ยสอบสแสวงหาปัญญาความรู้ในความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายพอใจสะดับตรับฟังอ่านไตร่าถามคิดค้นพิจารณา จับเหตุจับผลเงื่อนต้นเงื่อนปลายและทดสอบปฏิบัติทําความเห็นให้ตรงไม่ยอมหลงงมงายด้วยความไม่รู้ชอบสนทนาไต่ถามผู้รู้ทั่วไปไม่มีเว้นเหมือนดังภิกษุทเที่ยวบิณฑบาต ท, ทั่วไป 5. มีอัธยาศัยขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแกล้วกล้าอยู่ด้วยความเพียรเหมือนดังสีหราชทุกอิริยาบถ 6. มีอัธยาศัยอดทนต่ออารมณ์กระทบใจทั้งปวงตลอดถึงอดทนลำบากตรกตรำทางร่างกายเหมือนดังแผ่นดินรองรับสิ่งทั้งปวงได้ทั้งนั้นเจ็ดมีอัธยาศัยรักษาสัจจะไม่พูดมุสาแม้จะถูกฟ้าผ่าลงขม่องเพราะไม่พูดมุสาก็ไม่ยอมพูดเมื่อพูดไวอ้อย่างใดรับปากไวอ้อย่างใดก็รักษาคาพูดคือทาอย่างนั้นไม่ตรบัต เหมือนดังดาวโอสถิไม่ละวิถี 8. มีอัธยาศัยตั้งใจมุ่งมั่นพอใจที่จะทำตามความตั้งใจมุ่งมั่นในสิ่งที่จะพึงทำในผลที่จะพึงได้เหมือนดังภูเขาไม่หวั่นไหวไม่ชอบมีใจรุนเร่ไม่แน่นอน 9. มีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตาปรารถนาความสุขแก่สัตว์ บุคคลทั้งปวงไม่เลียกหน้าเหมือนดังน้ำแผ่ความเย็นทั่วไปทั้งแก่คนดีคนชั่วเหมือนกันหมด 10. มีอัธยาศัยมัธยัติในอารมณ์คือเป็นกลางในอารมณ์ไม่ชอบในบางอย่างชังในบางอย่างเพราะถ้าชอบหรือชังก็เสียความเป็นกลางจะรักษามัธยัติคือความเป็นกลางอยู่ได้ก็ต้องวางใจเฉยในอารมณ์ทั้งปวงได้ เหมือนดังแผ่นดินมีมัธยัติคือความเป็นกลางทั้งในของสะอาดทั้งในของไม่สะอาดที่ใครๆพากันทิ้งลงไปคุณสมบัติดังกล่าวนี้มีในคู่บา ร, รมีเป็นที่ปรากฏจึงได้ชื่อว่าบา ร, รมีทุกข้อสืบมาบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรศึกษาบา ร, รมีทั้ง10ประการดังกล่าวให้เข้าใจและควรปฏิบัติอบรมให้เกิดขึ้น แม้ไม่ครบทุกข้อก็อควรพยายามให้มากข้อที่สุดเท่าที่จะทำได้จะได้เป็นผู้มีบา ร, รมีไว้ต่อต้านอสวะให้พ้นจากอำนาจของอสวะได้มีความสุขความเย็นตามควรแก่การปฏิบัติคู่อสวะได้โอกาสที่จุดบกพร่องได้กล่าวถึงบา ร, รมีสิประการของคู่บา ร, รมีแห่งจิตนคร ซึ่งฝ่ายสมุไทยหามีอัธยาศัยอันดีงามเช่นนั้นไหมด้วยเหตุนี้คู่บา ร, รมีของนครสามีจึงเป็นที่เกรงขามของสมุไทยถึงกับไม่กล้าเผชิญหน้าสมุไทยต้องอาศัยคู่อสวะซึ่งเป็นฝ่ายในด้วยกันให้ช่วยต่อต้านไว้แม้คู่อสวะกับอนุสัยคู่หูก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับคู่บา ร, รมีโดยตรงเหมือนกันต้องหาวิธีให้คู่บา ร, รมีถอยห่างออกไปให้พ้นนครสามี แล้วจึงเข้ามาเพชรทูล น, นั่นพูดนี่โ น, โน้มน้อมนครสามีให้หันเหไปตามได้นักสับแสงได้พากันวิจารณ์ชื่อของทั้งสองฝ่ายว่าทำไมจึงชื่อว่าอสวะที่ตรงกับคำว่าหมักดองหมักหมมใช้หมายถึงสุราหรือเหล้าก็มีทำไมจึงชื่อว่าอนุสัยที่ตรงกับคำว่านอนจมบางทีพูดควบกันในภาษาไทยว่า นอนจมหมักหมมคืออนุสัยอาสวะนั่นเองบางทีก็เรียกอาสวะว่ากิเลสเรื่องดองสันดานหรือดองจิตส่วนบา ร, รมีตรงกับคําว่าเต็มบริบูรณ์ถึงฝั่งที่ว่าเต็มบริบูรณ์จากศัพท์ว่าประมะอย่างยิ่งสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ว่าถึงฝั่งจากศัพท์ว่าปาระบวกกับ มีคู่บา ร, รมีได้บำเพ็ญความดีมาช้านานทีแรกความดีก็ไม่สู้กล้าแข่งนักอย่างแพ้ทรัพย์แพ้บุคคลหรือวัตถุที่เป็นที่รักเช่นเมื่อยังไม่มีอะไรมาล่อใจก็สามารถทำความดีรักษาความดีไว้ได้ครั้นมีทรัพย์มาล่อใจให้อยากได้แต่จะต้องได้มาด้วยความทุจริตก็ทิ้งความดีทำความชั่ว หรือเมื่อพบบุคคลหรือวัตถุเป็นที่รักถ้าจะได้มาก็ต้องทิ้งความดีความชั่วเพื่อจะได้บุคคลหรือวัตถุซึ่งเป็นที่รักนั้นสิทธิของพระบรมครูกล่าวว่าคนที่ไม่มีบา ร, รมีหรือมีบา ร, รมีอ่อนมากย่อมเป็นเช่นนี้คือทิ้งความดีทำความชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์บุคคลวัตถุอันเป็นที่รักชื่อว่าเป็นผู้แพ้ต่อทรัพย์เป็นต้น ต่อเมื่อความดีกล้าแข็งขึ้นเอาชนะทรัพย์และคนหรือวัตถุอันเป็นที่รักได้คือแม้จะมีทรัพย์มาล่อใจมีบุคคลหรือวัตถุที่รักมาล่อใจก็อดทนไว้ได้ไม่ยอมทิ้งความดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์หรือคนและวัตถุอันเป็นที่รักพระบรมครูกล่าวว่าคนที่ยอมสละทรัพย์กับบุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่รักเพื่อความดี สามารถรักษาธรรมรักษาความดีไว้ได้ไม่หวั่นไหวไปพระทรัพเป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นผู้มีบา ร, รมีอย่างสำคัญส่วนผู้ที่มีความดีกล้าแข็งยิ่งกว่านี้จนถึงยอมสละอวัยวะของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งได้เพื่อรักษาธรรมรักษาความดีหรือเพื่อปฏิบัติธรรมเรียกได้ว่าเป็นผู้มีอุปบารมี ส่วนผู้ที่มีความดีกล้าแข็งจนถึงยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมรักษาความดีไว้ไม่ให้มีอะไรมาทาให้หวันไหวสตอกสถานรวนเรไม่มั่นคงเรียกได้ว่าเป็นผู้มีปรมาธบรารมีคู่บรารมีได้บำเพ็ญบรารมีกล้าแข็งขึ้นโดยลำดับความดีที่กล้าแข็งจะต้องเป็นความดีในสันดานในนิสัย คือที่เก็บตัวสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเต็มบริบูรณ์นับว่าเป็นบา ร, รมีเต็มที่หรือสมบูรณ์ดังที่เรียกว่าปรมาทบา ร, รมีคู่อาศาวะได้โอกาสตรงจุดบกพร่องของคู่บา ร, รมีนี่แหละเพราะเมื่อบา ร, รมียังไม่เต็มบ ร, รมิบูรณ์ก็แปลว่ามีจุดบกพร่องตรงที่ไม่เต็มที่ฉะนั้นจึงเข้ามาตรงจุดนั้นเมื่อมายึดได จุดหนึ่งแล้วก็พยายามขยายวงออกไปเป็นนั้นว่าคู่บา ร, รมีกับคู่สวะต่างก็ยึดยันกันอยู่ในจิตนครปุถุชนหรือสามัญชนทั้งหลายย่อมยังมีบา ร, รมีบกพร่องยังไม่เต็มบริบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ควรพยายามให้ความบกพร่องนั้นน้อยลงโดยลำดับไม่ควรจะให้ความบกพร่องมีอยู่เป็นส่วนว่า